อื <c oughs> อยากคิดว่าผู้พูดไม่ได้ยินเสียงตัวเองไม่ได้ยินเสียงตัวเองไม่สําคัญนะสําคัญนะเมื่อก่อนเราไม่รู้เรื่องหรอกเราตามหลังน้องตาไปเนี่ยน้องตาโอ้พูดไม่สะดวกพูดไม่สะดวกพูดไม่สะดวกนะบางทีท่านั่งเทิดตรงนี้เราหน้าข้างหลังไม่ได้ยินเลยโอ๊ยมีปัญหาพูดไม่สะดวกไม่สะดวก <c oughs> พอเวลาเรามาพูดเองเราถึงรู้พอจังหว่ามันไม่ได้มันพูดไม่ออกเลยอนะ่ะมันกังวลอ่ามันพูดไม่ออกมันมันไม่มีเสียงช่วยดึงดูดคือตาไม่งั้นเราก็ตะโกนเอาโอตะโกนเอาตะโกนเอาอืม <c oughs> มันกลายเป็นว่าตะโกนเอาตะโกนเอาเราไม่ได้พูดตามปกติธรรมดาธรรมดาห <c oughs> ลวงพ่อองค์นี้ทําไมปัญหาเยอะแท้ เขาปรเทศมาเป็นสิบสิบปีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีปัญหาอะไรเลยมีหลวงพ่อเราไปฟังบางทีเพื่อนมีเมื่อไหร่เพื่นไม่ไม่เล่าเราฟังอเรื่องเสียงเรื่องระบบเสียงต้องเป็นนักพูดเท่านั้นถึงจะรู้เรื่องอบางทีเวลาเขาตั้งเนี่ยเขาตั้งเขาฟังเทนุนเขาไม่ได้มาฟังตรงนี้ตรงที่พูดตรงนี้ <c oughs> ก็เลยว่าเขาปรับดีปรับดีปรับดีแต่ว่าไอ้ตรงที่ตรงนั่งตรงนี้มันเป็นอีกตำแหน่งหนึ่ง เพื่อไม่เสียเวลาเราเข้าที่ภาวนาเพื่อไม่เสียเวลาพวกเราเข้าที่ภาวนาอโอกาสดีดูเหมือนจะปีละครั้งด้วยซ้าไปหลืงพ่อมาใช่ไหมดูเหมือนจะโอกาสดีปีละครั้งด้วยซ้าไปที่เรามาที่เรารับมาแต่ท่านทั้งหลาอยอย่าลืมว่าการไปการมานี่ไม่ง่ายเลยนะ ไม่ง่ายมากไม่ง่ายเลยเพราะเราต้องฝาฝูงคนมาเป็นหมืนม่นๆกว่าจะมาถึงนี่นะสนาม บ, บินที่นู่นสนามบินที่นี่ต้องผ่านอะไรมาสารพัดกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ <c oughs> ง่ายสลหรับพวกเราอยู่ใกล้แล้วก็มาแล้วก็รับ แต่สำหรับผู้ที่จะมาบางทีต้มีอุปรสรรคบางทีเก็บไข้ได้ป่วยบางทีเป็นไข้เป็นหวัดเป็นอะไรตะไลสรารพัดโอกาสที่จะตา ม, มามี ม, มีมีเยอะเลยเอานั่งหลับตาภาวนานะนั่งหลับตาภาวนาแลวกพ่อก็จะพูดไปพวกเราก็นั่งภาวนาไปก็แล้วกันนะอันนี้สงเกิดขึ้นจากที่เราตั้งใจภาวนาด้วย อา น, นิสงส์เกิดขึ้นจากที่หูไม่ดับมันได้ยินเสียงอักเสียงถามด้วยมันบวกกันเป็นสองอา น, นิสงส์อา น, นิสงส์ที่ใหญ่ที่สุดก็คืออา น, นิสงส์นั่งส้ำรวมจิตภาวนาอันนี้ส์สำคัญที่สุดนะโมตัสสะพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตทัสสะนะโมตัสสะ พรกวะโตอะราหะโตสมมาส ม, ามุทัสสะนะโมตัสสะพรกวะโตอะราหะโตสมมาส ม, ามุทัสสะจิตตังดันตังสุข้าวห้าตีตี <c oughs> นั่งภาวนาฟังแล้วก็ฝึกหัดจไปในขณะเดียวกัน เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตตังกันตังสุขฆาว่าห้าจิตที่ฝึกดีแล้วนาสุขมาให้จิตที่ไม่ฝึกให้ดีนำแต่ทุกมาให้เราก็ตีความหมายในแง่กลับกั น, น่างแหละจิตที่ไม่ได้ฝึกนาแต่ทุกมาให้ถ้าเราพูดถึงภาวะของจิตภาวะของจิตก็คือภาวะของผู้รู้ ภาวะของผู้รู้ก็คือธาตุรู้แต่ธาตุรู้ตัวนี้เป็นองค์ประกอบหละสิ่งที่ปีเป็นองค์ประกอบย่อยติดตามมาส่วนที่เป็นคุณก็มีส่วนที่เป็นโทษก็มีที่ติดมากับจิดตดวงนี้เราชี้ไปที่ไหนจิตของเราเนี่ยเราชี้ไปที่ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้รนี่จะเรียกว่าธาตุรู้ วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุเรียกว่าธาตุรู้หรือธาตุที่น้อมไปที่จะเรียกว่ามานายตนะมันเป็นเครื่องต่อเหมือนกันแต่เป็นเครื่องต่อคือใจมานายตนะคือธาตุรู้คือผู้รู้เรายกเรื่องนี้มาก็เลยทําให้เราย้อนมาดูตัวเราตัวเรามีธาตุรู้กับธาตุไม่รู้ธาตุรู้ก็คือใจของเราคือใจของเราเป็นผู้รู้ธาตุไม่รู้ก็คือ ร่างกายของเราสำหรับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ทั้งสี่นั้นเป็นอาการของผู้รู้แต่ไม่ใช่ผู้รู้ตัวจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปฏิบัติเพื่อละเวทนาเพื่อละสัญญาเพื่อละสังขารเพื่อละวิญญาณเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเป็นอุบายเป็นมายาที่เคลือบแฝงมาเป็นเหตุทําให้เรามีภพมีชาติ เช่นอย่างภพชาติของพวกเรานี้มีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรมาโดยที่ท่านพูดสรุปมาที่หลักของขันธ์ทั้งห้าเช่นอย่างรูปก็คืออัตภาพร่างกายซึ่งประกอบไปด้วยดินน้ํามลมไฟเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนของนามเป็นส่วนของนามแต่นามนี้จะชี้ชัดไปที่ว่าถ้ารู้ที่แท้จริงก็ยังไม่ใช่เป็นอาการของผู้รู้ เป็นอาการเฉยๆน้นะไม่ใช่ผู้รู้นะไม่ใช่ไฟเหมือนอย่างที่เราเห็นไฟที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราอันนี้มันไม่ใช่ไฟเป็นกิริยาอาการของไฟทั้งนั้นที่อย่างแสงที่เราเห็นเสียงที่ได้ยินเนี่ยนี่เป็นอาการของไฟแต่ธาตุไฟจริงๆนั้นร้อนเราไปสัมผัสปั๊บร้อนเมานั่นแหละคือธาตุไฟถ้าเราอยากจะทดลองเราก็ว่าทดลองจุดเทียนลองดู จุดเทียนแล้วเปลวฟัดเปลวเทียนจะติดขึ้นนั่นคือไฟติด <c oughs> ตัวไฟติดอย่างอื่นที่เราเห็นทั้งหมดเป็นอาการของไฟทั้งนั้นแต่ธาตุไฟที่แท้จริงเราจ้องเอามือเราไปแย่ไปลองดูนะเอามือเราไปแย่ดูเมานั่นละ่ะนั่นละ่ะตัวนั้นคือไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่จิตไม่ใช่ผู้รู้แต่เป็นอาการของผู้รู้ ในเมื่อผู้รู้เราเป็นตัวยืนโรงมาประจำโลกเราก็ว่าได้แต่หามันพัฒนามาอยู่อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้ า, าท่านทรงตั้งเบื้องต้นไม่ปรากฏทรงตั้งไว้ที่อวิชชาซึ่งเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมย่งไรเบื้องหลังนี่ส่งมาแล้วถ้ารู้ผู้รู้เราส่งมาแล้วสิ่งที่เป็นคุณสมบัติติดมาด้วยซึ่งเราเรียก เพื่อจำง่ายๆว่าเป็นธรรมสิ่งที่เป็นโทษติดมาด้วยเราเรียกสมมุติเรียกง่ายๆก็คือกิเลสเพราะมันเป็นสภาพที่ทําให้จิตคือผู้โรคของเราเนี่ยเศร้าหมองสิ่งอะไรติดมาด้วยติดมากับอะไรติดมากับผู้หูติดมากับธาตรู้แล้วใครพัฒนาให้ให้เราไม่มีใครพัฒนาเราพัฒนามาด้วยตวงตัวเราเอง ท่านพัฒนามาด้วยตัวของตัวท่านเองเราพัฒนามาด้วยตัวของตัวเราเองพัฒนาผู้รู้ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นพบชาติที่เราเกิดสูงสูงต่ำต่ำตำเป็นมนุษย์เทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรแต่อะไรสารพัดเนี่ยพบชาติที่มันพัฒนาไปไม่ยอมจบไม่มีจุดจบมันหากพัฒนาไปตามพฤติกรรมมีเหตุมีผลในตัวของมันเหตุผลในตัวของมันก็คืออะไร คือพฤติกรรมที่กายเอากายไปทำกรรมเป็นกายกรรมพฤติกรรมวาจาเอาคำพูดของเราไปทำกรรมเป็นวาจีกรรมเอาใจของเราไปทำกรรมไปนึกไปคิดไปปรุงเราจะเห็นว่ากิริยากายก็ตามกิริยาวาจาก็ตามกิริยาใจก็ตามแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นน่ละล้วนแต่เป็นการสร้างกรรม คำว่าสร้างกรรมในทีนี้พวกเราอาจจะฟังยากฟังเข้าใจยากกิริยาอาการแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะ่ะมันเป็นการสร้างเหตุใ น, นเมื่อมีการสร้างเหตุเกิดขึ้นมาแล้วผลก็จะต้องตามมาการพัฒนาไปในภพชาติของเราภพชาติสูงบ้างต่ํ า, าบ้างยาวบ้างละเอียดมากบ้างเกิดขึ้นจากพฤติ ก, กรรมของเรานี่เองเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเรา กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเรามาคิดดูว่าบางพวกบางชาติเราไปอบัติเป็นสัตว์บางทีก็เป็นไปอบัติเป็นสัตว์ติดต่อกันมาห้าร้อชาติเนี่ยเราจะได้พัฒนาธรรมอะไรเกิดขึ้นในหัวใจไม่มีมีแต่เรื่องกิเลสพัฒนาเจริญเข้าเจริญเข้าเจริญเข้าการพัฒนาไปตามอํานาจของใจของกิเลส น, นั้นน่ ะ, ะมันก็พัฒนาไปตามรูปลักษณะของผู้หูของเรา ผู้รู้ของเรานั้นมีข้อเท็จจริงปรากฏสองอย่างหนึ่งรักสุดสองช่างทุกเวลาเราไปสัมผัสปั๊บมีความสุขตาไปสัมผัสปั๊บรู้สึกมีความสุขรูปนั้นดีรู้สึกมีความสุขใจเนี่ยไปสัมผัสตาไปสัมผัส ด, ด้วยเสียงด้วยกลิ่นไปสัมผัสด้วยกายนี้ไปสัมผัดด <c oughs> ปสผปั๊บมีความสุข ธรรมชาติของมันมันจะยึดขึ้นมาทันทีมันยึดขึ้นมาจนเป็นการต้องสอบต้องสแสวงหาต้องคว้าต้องเหนี่ยวต้องรัง้งต้องสอบต้องสแสวงหามันติดเพราะอะไรติดความสุขความสุขเล็กเล็กน้อยน้ยยุ้มยยิ้มยิก็ถือว่าติดติดความสุ ข, เ, เ, เ, สขเป็นเหตุก่อให้เกิดความโลภในหัวใจของเรานี่คือที่ไปที่มาของความโลภนะ มันเกิดขึ้นมาจากการพัฒนามาอย่างนี้ไปสัมผัสอีกอย่างหนึ่งมันทุกข์เช่นอย่างกายเราไปสัมผัสหนาวเกินไปร้อนเกินไปไปสัมผัสน้ำเค็มๆ เ, เนี่ยแข็งไอ้คันหมดตัวเนี่ยไปสัมผัสแล้วมันมีความทุกข์มันมีความทุกข์ปักออกไปที่เรียกว่าไม่พอใจพลักออกไปเป็นเหตุให้เกิดความโกรธ ประจาหัวใจของเราทั้งความโลภทั้งความโกรธเราประเสริฐจากการเรียนรู้ในเมื่อเราไม่เรียนรู้เพราะเราห ล, ลงยึดอยู่อย่างนี้ถ้าเมื่อพบชาติที่เราเป็นสัตว์เดรัจฉานมาตลอดระยะที่เราเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็สะสมอยู่แต่อย่างนี้แหละมันจะเอาสติเอาปัญญาที่ไหนมาศึกษาว่าอันนั้นเป็นข้อละอันนั้นเป็นข้อเวน้นไม่มีแต่ด้วยเหตุที่ผู้รู้ของเรานะ่ยมีคุณสมบัติติดมาด้วยสติธรรมเนี่ย สัมพัญญธรรมยิริธรรมโอตปะธรรมขันติธรรมโสรจัตธรรมวิริยะอุสาหธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราไล่ไปที่อินทร์ศรัทธาเนี่ยวิรยิยะสติสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นฝ่ายคุณธรรมที่ติดมากับผู้รู้ของเรา สิ่งที่มาติดมากับจิตของเราที่เป็นไฟอกุศลคือไยกิเลสไฟกิเลสมันพัฒนามาจากไรก็พัฒนามาจากผู้รู้ของเรานี่ยแหละพอเห็นสิ่งที่ดีที่งามก็ยึดขมาอยยึดขมาอยยึดขมาเกิดทับถมกันมัวหมองพราะั้นท่านจึงบัญญัติอีกคำหนึ่งว่ากิเลสกิเลสความโลภคือสภาพของกิเลสทําให้แก่ราเศร้าหมองความโกรธคือสภาพของกิเลสทําให้แก่ราเศร้าหมอง ไปจากอำนาจของความลุ่มหลงเราขาดการเรียนรู้ขาดการศึกษาวิจัยวิจารณดูข้อเท็จจริงาศาสนาธรรมของพระพุทธเจา้าจึงสอนให้พวกเรามาวิจารณ์วิจัยใคร่ครวนหาหลักข้อเท็จจริงคืออะไรเป็นอะไรไม่ใช่สอนให้เราหลับตาแล้วยึดถือตามภาวะของธรรมชาติที่มันมีมันเป็นโดยหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นศึกษาจนเรียนรู้ถึงหลักธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติ โดยทําเกิดขึ้นมาได้ยังไงธรรมชาติโดยกิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจิปัญญาที่จะมาพัดผันมาพัฒนาทําให้เกิดความรอบรู้เกิดความฉลาดเพื่อที่จะทําลายความลุ่มหลองซึ่งเป็นเจ้าตักิเลส ท, ที่ละเอียดอ่อนที่สุดประจําหัวใจของเรานะมีการเรียนรู้และพัฒนามายัางไงอันนี้คือเยี่ยมที่สุดนะนี่คืออาศัยพระปริญยาปรีชาญานการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธะอาศัยเรี่ยวแรงเสียสละ บําเพ็ญบารมี4อสศงไขแสนมาหากัรโดยเฉพาะอย่างพระพุทธเจ้าของเราทุกวันเนี้ท่านพูดถึงอีกบางประเภท8 อ, อาศงไขแสนมาหากัรท่านพูดถึงอีกบางประเภทที่จะเรียกว่าวิริยะที่การ16อสศงไขแสนมาหากัรคําว่ากับกับกับกับในที่นี้คือระยะเวลาที่นูนนานมาก การสร้างเนื้อสร้างตัวกันเพราะเนื้อเพราะตัวการสั่งสมอบรมคุณงามความดีกว่าบารมีเหล่านี้มาจากครบสมบูรบริบูรณ์แล้วก็สิ่งเหล่านี้จะมาโผล่มาเกิดขึ้นเรามาพิจารณาดูว่าทุกข์กับสมุทัยเนี่ย ม, ย, กกมยมีอยู่ประจำโลกทุกข์กับสมุทัยมีอยู่ประจำโลกนิโรธกับมรรคถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัต ไม่มีใครมาเปิดเผยในโลกก็เลยมีแต่ทุกข์กขับสมุทยัยทุกข์กับสมุทัยมีแต่เหตุกอ่อทุกข์ก่อทุกข์ก่อทุกขก์ไม่มีผู้ที่จะมาดับทุกข์ไม่มีโดยเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์จึงโผล่น่โรธแล้วก็จึงโผล่มากขึ้นมาโผล่ในประทัยของพระองค์ก่อนแล้วถึงจะมาประกาศบอกสอนพวกเราให้พวกเราเดินตามเจริญรอยตามสรุปมาสั้นๆก็คือหลักของศีล องสมาธิของปัญญาอันนี้คือทางนาเนินคือวิธีการเดินเมื่อเรารู้จักช่องทางแล้วระยะเวลาที่เราจะเดินเดินมากเดินน้อยเดินยากเดินง่ายแตกต่างกันไปเนื่องจากว่าเราแต่ละพบแต่ละชาติแต่ละหัวใจแต่ละดวงนั่นน่ะพัฒนามาไม่รู้กี่กับกันกี่ปูเรชาตนับไม่ถ้วนไม่ใช่เราเพิ่งเกิดอัตภาพสองอัตภาพนไม่ใช่เราเกิดมาประจำโลกนี้ไม่รู้นับไม่ถ้วน ถ้าเราระลึกได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนหกนั้นอน่ะุกเพนิวาส า, านุสติญาณระลึกย้อนหลังได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าภกชาติของพวกเราก็ไม่ต่างอะไรกับพระพุทธเจ้าระยะเวลาที่เนิ่นนานคงจะไม่ต่างอะไรกันเลยแหละไม่มีใครเกิดหลังไม่มีใครเกิดก่อนหากเกิดขึ้นตามความมีความเป็นที่เรามีเราเป็นที่เราสมมติขึ้นเฉพาะบางพบบางชาตินั่นเอง โดยเฉพาะผู้รู้ของเราที่แท้จริงอุบัติมาตั้งแต่เมื่อไร่เนิ่นนานเท่าไหรเรารู้ไม่ได้เราทราบไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตั้งไว้ที่อวิชชาการจงตั้งไว้ที่อวิชชาจึงเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมที่จะทําให้เราเนี่ยย้อนเข้าไปถึงอดีตก็ได้กี่กับการกี่บรชาติเราเลือกย้อนได้ย้อนมาในขณะปัจจุบันนี้ก็ได้ <c oughs> ในขณะปัจจุบันของเราเนี่ยเมื่อเราตั้งใจภาวนาพุทโธ พุโทโธพุโทโธการที่เราจะตั้งใจภาวนาพุโทโธได้นั้นเราจะต้องปลุกสติคือผู้ตื่นผู้รู้ภายในจิตของเราเอามาปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่นเรามีจิตเรามีผู้รู้แต่ผู้รู้ของเราบางทีมันก็หลงเพลินทํางานไปตามอำนาจของกิเลส ท, ที่เรียกว่าความหลงความหลงหลงเคลิ้บไปกับอํานาจของกิเลสไม่มีใครมาปลุกแต่ด้วยเหตุที่เรามีคุณสมบัติติดมาด้วยกับจิตดวงนี้เราก็เอาสติธรรมเนี่ยเรามาปลุก สติก็คือความระลึกได้สติก็เกิดจากจิตนะั่นแหละสติก็เกิดจากจิตอาศัยอารมณ์อันเดียวกันกับจิตเกิดขึ้นกับจิตดับพร้อมกับจิตเป็นส่วนหนึ่งของจิตเป็นอาการของจิตคือเป็นคุณสมบัติของท่ารู้ของผู้รู้ก็แล้วกันพอเราตั้งใจ บ, บริกรรมพุทโธพุทโธผูกสติกำกับคำบริกรรมพุทโหพุทโธพุทโธ กับดำริที่จิตจิตดำริพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธมีสติรู้ดำริพุโทโธพุธโทโธกำกับอยู่อย่างนี้แหละคาว่าพุโทโธเลยเป็นอารมพุโทโธนี่เลยเป็นบทธรรมเป็นอารมไม่ใช่ความนึกความคิดความปรุงเหมือนอย่างที่เรานั่งเราเราคิดเราปรุงทั่วทั่วไปแต่หากมันเป็นบทธรรม เรายิ่งปรุงไปมากน้อยเท่าไร่จิตของเราพันอยู่กับพุทโธไปมากน้อยเท่าไร่เป็นธรรมไม่ใช่เป็นกิเลสถ้าเป็นเรื่องของความโลภแล้วเป็นไงพันกันอยู่ทั้งวีท run, run, ั ope, <reco Christ. S 1> <mam> ma ้งวันโลภบวกโลภโลภบวกโลภโลภบวกโลภโลภกิเลสบวกกิเลสกิเลสบวกกิเลสโกรธบวกโกรธโกรธบวกโกรธหลงบวกหลงหลงบวกหลงบวกหลงบวกพูดง่ายๆคือกิเลสบวกกิเลสมืดบวกมืดอวิชชาบวกอวิชชา เราะฉะนั้นในขณะที่นำมาปลุกจิตของเราให้ตื่นโรรู้อยู่นี้นะ่ะมันเป็นช่วงที่ผู้รู้ของเราตื่นโรูชัดเจนและสามารถปลุกให้ตื่นรู้ชัดเจนได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์นะไม่ใช่2อสอารมณ์สองสอารมณ์ไม่ ช, ชัดสักอารมณ์นเมื่อเราปลุกให้ตื่นรู้มากับอารมณ์ที่เด่นชัดที่สุดท่านจึงให้เราประคองอันนี้แหละกุฏิย่ย า, าให้ประคองบุตรโถตื่นรู้อารมณ์หนึ่งเดียว ไม่มีอย่างอื่นมาแทรกได้ในระหว่างที่เราตื่นรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอยู่นี้เนี่ยอวิชชาครอบกิดเราไม่ได้นะถ้าเราจะเรียกตามซาปีว่าตอนนี้จิตของเรามีวิชชาวิชาแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรู้นี่ระับ ร, ร, ระดับหลักปรัชญาชั้นเยี่ยนที่พระพุทธเจ้าท่านประยุกต์มาให้เราเอามาถือเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเราเราไม่จะละมัชะความหลงได้ยังไง เรามาชักความโลภได้ยังไงเรามาชักความโกรธได้ยังไงท่านจึงให้สร้างธรรมะตัวนี้ขึ้นมาแทนพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ให้ เ, ยเลยมันแท้ขึ้นมาให้มีแต่ธรรมแท้เข้ามาให้มีแต่ธรรมเกิดขึ้นในหัวใจของเราท่านจะให้ประคองท่านจะให้เราตั้งวิตกวิจารณขึ้นมาเห็นไหมพุโทโธแล้วประคองประคองอยากพุทไปหาโธประคองอยากโธไปหาพุท ประคองอะไรประคองพูดคูยของเราเอาอะไรประคองเอาสติประคองเอาสัมผััญญะประคองเอาความอดความทนประคองเอาความภาคความเพียรขับเคลื่อนให้ต่อเนื่องประคองให้พื้ประคองไปทําไมประคองเพื่อไม่ให้โอกาสกับกิเลสมันมาโผล่ขึ้นในหัวใจของเราทําอย่างนี้จนเป็นอาจินกรรมในเมื่อเราทําเป็นอาจินกรรมผลเพิ่มรายได้ที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเรา มีแต่ผลเพิ่มของธรรมที่เรียกว่าทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดแต่ถ้าเราปล่อยกิเลสมแทกเข้ามาบ้างกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของมันกิเลสกรรมวิบากผลได้ได้เป็นเรื่องของมันวันทั้งวันถ้าเราไม่เจริญธรรมเลยมีแต่กิเลสทั้งวันกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลเพิ่มเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของกิเลสเราต้องการจะชะล้างความโลภความโกรธออกจากหัวใจของเรา เราจึงตั้งความอุตสาพยายามความภาคความเพียรประคองอารมณ์ที่เป็นธรรมนี่นแหละพุทโธพุทโธพุทโธจิตของเราอยู่ตัดกับคําว่าอารมณ์พุทโธพุทโธจิตของเราได้รับความสงบอยู่กับอารมณ์คําว่าพุทโธพุทโธจิตของเราไม่ถูกตัณหามันพาไปดีดไปดิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานอันเดียวกัน มันเกิดขึ้นจากความไม่ฉลาดของจิตของเราสะสมตัวมันเองจากอับน้าของความโลภสะสมตัวมันเองจากอับน้าของความโกรธมันสร้างมากี่กับกีก่การจนเป็นอนุสัย์ในอนเนื่องจนหัวใจของเราเราเคยระลึกไปดูเราเคยย้อนไปดูไหมเราไม่เคยย้อนไปดูเราไม่เคยรู้ว่าอะไรคือก้นบึ้งที่มาสร้างเราให้เกิดตายเกิดตายเกิดตายทุกยัเป็นจะตายไม่รู้จะแก้ยังไงเลยมาแก้แต่ปลายเหตุไม่เคยย้องเข้าไปถึงก้นบึง้งคือต้นตอของสาเหตุของสาเหตุ นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงเอาเรื่องเหล่านี้มาบอกมาสอนให้กับพวกเราแต่สิ่งเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาได้ยากนะถ้าไม่อาศัยบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะมาปรากฏแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นมาไม่ได้นิโรธกามจึงโผล่ขึ้นมาได้ยากถ้าไม่ใช่อาศัยบา ร, รมีของพุทธะสัมมาสัมพุทธะแล้วเกิดขึ้นมาไม่ได้ตราบใดมีทุกขมีสมุทยัยมีนิโรธมีมรรคนั่นคือพระพุทธศาสนามาบัดเต็มตวงัว นี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนาของเราที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัพต์มาได้บุบัพต์มาด้วยเหตุนี้ประกอบไปได้วยทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือหลักที่ทําให้เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาหมุนเข้าไปหาข้อเท็จจริงในหัวใจของเราเราพยายามเขี่ยมเข้าไปดูพยายามก้าวเข้าไปดูสามารถถึงก้นบึ้งของจิตเรนหัวใจของเราถึงต้นตอของกองทุกทั้งหลายทั้งปวงในหัวใจของเราโดยไม่ต้องสงสัย การามาสูตรก็ตามที่ท่านบอกทั้ง30ข้อนั่นแหละข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นไมให้เราเชื่อยงั้นให้เราเชื่อนี่ทำไมท่านจึงไม่ให้เชื่อเพราะท่านมาให้เชื่อแค่ได้ยินได้ฟังมันเป็นพระสูตรที่ท้าทายให้เราตั้งใจปฏิบัติไม่ให้เชื่อครูไม่ให้เชื่ออาจารย์ออกจากบาอาจารย์แท้ๆไม่ให้เชื่อได้ยังไงให้ไปทําดูก่อนแม้พระสัจจานุสอนมาทุกบททุกบาทท่านให้เรามาทําเพราะฉะนั้นจึงมีทั้งภาคปริยัต ภาพปฏิบัติก่อนที่จะมีภาพปฏิเวศจะต้องมีปฏิบัติหรือมีภาพทฤษฎีมีภาพปฏิบัติถึงจะมีผลถึงจะมีผลตามมาที่จะเรียกว่าปฏิเวศปฏิเวศปริยัติปฏิบัติปฏิเวศอันนี้คือศัพท์ธรรมของพระพุทธเจ้าสรุปรวมลงมาที่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวศที่ได้ยินได้ฟังจากปากของพระองค์ทั้งหมด แม้จากพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเป็นเรื่องของปริยัติแต่ปริยัติในแนวอธิบายตามคัมภีร์หรือปริยัติในแนวปฏิบัติให้เราฟังให้ให้หออกให้เข้าใจเท่านั้นเองจากนั้นแล้วผู้ฟังนั้นจะต้องมาทําตามมันเป็นการปฏิบัติท่านสอนว่าสมาธินะสมาธินะโอสมาธิเราเข้าใจแล้วสมาธิคือจิตสงบจิตสงบออมาด้วยจิต เหลืออยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียว เ, เหมือนกับจิตของเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธตราบใดที่ยังเขยอกันไปเขยื้อกันมาเขยอกันไปเขยอกันมาคือเรายังอยู่กับวิตกวิจารณ์มันก็ยังอยู่ในขั้นของความสงบพัฒนาตัวมันไปเรื่อยๆเกิดปีติเกิดความสุขเกิดอุเบกขาอันเกิดขึ้นจากการที่เราบังคับบัญชาเอาคุณสมบัติของใจที่มีอยู่ดั้งเดิมนะมาปรับใช้เกิดประโยชน์เป็นกนารมปลุก เจ้ารู้คือผู้รู้คือต้นต่อของผู้รู้ของตัวเองให้ตื่นโรูอยู่เพราะธาตุอันนี้มันเป็นธาตุที่มีประจำอยู่ดั่งเดิมในโลกจิตของเราเป็นธาตุที่มีอยู่ประจำอยู่ดั่งเดิมในโลกนะไม่ใช่เราไปควาา้ า, วามาอย่างนี้ไปคว้ามาอย่างนี้ไม่ใช่มีคนนั้นทำคนนี้ทำคนนั้นสร้างคนนี้สร้างไม่มีนะไม่มีหากพัฒนามาด้วยตัวของตัวมันเองเราจะเห็นว่าท่านที่ท่านเรียนวิทยาศาสตร์ท่านจะรู้ได้ดีว่า ชีววิทยามันมีการพัฒนามายัางไงบ้างอันนั้นพัฒนามาย่างนั้นอันนั้นพัฒนามายังงั้นอันนั้นพัฒนามาอย่างงั้นมันหากพัฒนามาอย่างอย่างั้นแหละพัฒนาในกายของเราในใจของเราเราก็ย้อนมาลองย้อนมาดูสิย้อนมาดูจากพวกเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ย้อนไปตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เพราะทุกคนไปอุบัติในท้องแม่แต่ไม่ใช่ไปอุบัติโดยลําพังต้องมีพ่อกับมีแม่ทําเหตุเราถึงจะไปเกิด ตามหลักที่ท่านพูดตามหลักที่แท้จริงท่า ท, ที่เรียกว่าสมุทยัยสมุทยัยก่นที่จะมีทุกข์นั้นจะต้องมีสมุทยัยสมุทัยก็คือกิเลสตัณหาในหัวใจของเราเนี่ยที่เรียกว่าสมุทยัยสมุทยัยเหตุให้เกิดพวกเราเนี่เกิดจากสมุทัยในจากใจของเราด้วยจากใจของพ่อของแม่ด้วยมันเป็นเหตุมาสมประกอบกันแล้วทําให้เราได้อัตภาพรูปร่างนี้ขึ้นมาเราไปอุบัติในท้องแม่ก็เพราะว่า ในใจของพ่อของแม่ท่านมีความอยากอยู่แล้วท่านประกอบการเจริญพันธ์เห็นไหมทําให้พวกเราได้ไปอุบัติในท้องแม่เป็นน้ําใสๆอยู่ในนั้นมีอะไรมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเป็นน้ํำใสๆแต่ฮารไม่อยู่เท่าเดิมมาประกอบพันธ์เป็นน้ําใสๆเป็นกองสังขารคือชื่อว่ากองสังขารนั้นนะ่ะไม่มีกองสังขารใดจะอยู่เท่าเดิมจะต้องเปลี่ยนไป อันนี้ทําให้เราเข้าใจถึงเรื่องของกองสังขารมันจะพันไปถึงอณิจแนงทุกข์งอนัตตาซึ่งจะทําให้เราเจาะไปลึกถึงสาเหตุต้นต่อก้นบึง้งที่จะทําให้เกลียดตัญหาในใจของเราน่ยมันยํายอ ม, ยอมจำนนจํายองสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่จะทําให้เกลียดตัญหาในหัวใจของเรามันจำนนจํายองโอ้เราในของปลอมโอ้เราในของปลอมโอ้เรามีเสแสร้งโอ้เราในดึงออกจากข้อเท็จจริงคือตามหลักของธรรมชาติที่แท้จริง กองสังขารเท่านั้นมีหลักความนิจอย่งทุกขัามน้ำตานะเราไปอบัติในท้องแม่กองสังขารหนึ่งก็คือดินน้ําลมไฟของพ่อของแม่มาประกอบกันในท้องแม่อย่าคิดว่าเราเอาเลือดสังเกตไปเกิดในท้องแม่ไม่มีไม่มีเลยเราไปจับจองเอาใจของเราซึ่งใจของเราก็มีตัณหาตัณหาของเราก็ไปเที่ยวจับจองแต่หาไม่ได้ตามบุญตามกรรมนะไม่ใช่เลือกได้ตามใจชอบได้ตามบุญตามกรรมของใครของเรา พอไปจับจองเสร็จแล้วก็เกิดการปฏิสนธิขึ้นมามันมีสิ่งปรุงสิ่งประกอบพร้อมกันนะทำให้เกิดการมีการปฏิสนธิขึ้นมาเห็นไหมระยะเวลากว่าเราจะรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวอยู่ในนั้นบางทีไม่ไม่ออกมาจากท้องแม่เราไม่มีความรู้สึกตัวเลยไม่มีความรู้สึกตัวนอนเหมือนนอนหลับอยู่ระยะเวลาแป๊บเดียวทัานเองอยู่ในท้องแม่เจเดือนแปดเดือนเกเดือนไม่เคยอยู่เท่าเดิมเลยเห็นไหม จากน้ำใสๆมาเป็นน้ำข้นๆมาเป็นน้ำล้างเลือดมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นปัญจักราขามีหัวมีลําตัวมีแขนมีแขนสองมีลําตัวแล้วก็มีขาสองเนี่ยเ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนคลอดออกมาอยู่ไม่ได้ขยับมาเรื่อยๆอยู่ไม่ได้การที่กองสังขารไม่อยู่เท่าเดิมนั้นนะ่ะพุทธยทศจงต ร, รัสทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์นี่มันพันกันมาอย่างงี้นะ เราพยายามศึกษาถึงก้นเบื้องที่แท้จริงมันมาชัดเจนมันมาง่ายๆตรงนี้ให้เราพยายามพิจารณาไปใ ห, ให้เห็นง่ายๆตรงนี้เองโอ้กองสังขารไม่อยู่เท่าเดิมคาว่าไม่อยู่เท่าเดิมก็คือมันต้องเปลี่ยนไปไม่อยู่ท่ามเท่าเดิมเป็นทุกขขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจัง แต่คำว่าทุกขังกับของพวกเรานั้นเราอาจจะทุกปวดหัวทุกตัวร้อนทุกตับทุกไตทุกปอดทุกเป็นมะเร็งทุกนู่นทุกนี้ทุกอะไรอะไรสารพัดทเรียกว่าเราเรียกว่าความทุกแท้ที่จริงความไม่อยู่เท่าเดิมของมันนั่นแหละนั่นแหะคือกิริยาของความทุกในหลักอริยศาสตร์ทั้งีทเรียกว่าทุกขังทุกขังสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ที่เรียกว่าทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเราจะว่าเป็นอันเดียวกันก็ใช่แลาจะว่าเป็นคนละอันก็ใช่แต่มันสืบช่วงออกจากกัน อันอนิจจังทั้งทุกขังนั่นน่ะเป็นภาวะของธรรมชาติใครไปดัดแปลงไม่ได้พอแม่ของเราก็ดัดแปลงไม่ได้แม้แต่ทุกวันเขาไปผสมลูกในหลอดแก้วนั่นน่ะเรียนแบบธรรมชาติถึงขนาดก็ยังต้องเอาเข้าไปให้เขาได้อยู่ได้อาศัยเหมือนเดิมนี่คือหลักธรรมชาติที่มนุษย์สามารถเลียนแบบได้แค่นี้ถือว่ามีความสามารถพอสมควรแต่ถ้าผิดกับหลักธรรมชาติเป็นไม่ได้ ขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นไ ป, นปนตามหลักของธรรมชาติถึงแม้ว่าเราจะผสมอย่างนี้เทียมอย่างนี้มันก็สามารถเป็นไปได้เนี่ยนี่คือกองสังขารกองสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอันนี้จังนี่คืออะไรคือสองอันของไตรลักษณ์แล้วด้วยเหตุที่เราบังคับปัญชาไม่ได้ภาวะอันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาถ้าเป็นอัตตาเราต้องบอกได้โดยเหตุที่ไม่ใช่อัตตาเราจึงบอกไม่ได้ อย่างอื่นที่เป็นรูปธรรม ท, ที่เป็นพลังงานที่เรียกว่านามธรรมา ท, ที่เราเรียกได้เทียบเคียงกับพลังงานเราสามารถบังคับบัญชาได้หมดเราบังคับไฟ เ, เนี่ยเ อ, เอาไฟมาทําพัดลมเอาไฟมาทําความสว่างนะบังคับน้ําให้ขึ้นจากที่ต่ําไปขึ้นที่สูงน้ําปกติมันไหลลงที่ต่ําแต่เราสามารถบังคับให้ขึ้นที่สูงได้มีสิ่งดูดขึ้นมีสิ่งผลักดันขึ้นเนะี่ยมันต้องมีสิ่งบังคับ แต่อันนี้จังทุกขั้งอนับตาเนี่ยแล้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เลยพระพุทธเจ้ามาอวดกี่พระองค์ก็เปลี่ยนไม่ได้เพียงแต่มาศึกษาเรียนรู้ปล่อยไว้ในฐานะที่ว่าธรรมชาติทันเองคำว่าธรรมชาติในที่นี้ก็คือเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจปลุกตัวเองให้ตื่นรู้ขึ้นมาตื่นจากความความหลงตื่นจากความโง่ชลา ข, า, าขึ้นมาเมื่อฉนะดขึ้นมากลายเป็นว่า ผู้รู้ของเราเนี่ยปล่อยหมดวางหมดปล่อยทั้งกายปล่อยทั้งเวทนาสัญญาสังขาริญญาณปล่อยขันทั้งห้าถ้าเราเข้าใจมาเรื่องเหล่านี้แล้วมันจะมีการปล่อยเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นโทษทั้งนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตามันไ ม, ไม่ไม่เป็นโทษได้อย่างไงแต่ด้วยที่เราไม่เคยพิจารณาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นท่านเองเราจึงไม่เข็ดไม่หลาทลวทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกเล่าทุกร่ําไปอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นพุทธเจ้าท่านเรียนรู้ถึงหลักธรรมชาติเหล่า น, นี้เอง ทำให้พระงถอยเข้ามาถอยเข้ามาหอยเข้ามาหดเข้ามาถอนเข้ามาถอนเข้มาเราเห็นว่าการตั้งใจปฏิบัติธรรมมันจะเริ่มถอนไปตั้งแต่ถอนกายเนี่ยเสร็จแล้วมาศึกษาเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างถอนนามไปพันไปกองอยู่ที่จิตลงตาท่านให้มีการพิจารณาจิตเข้าบีทําลายความรุ่มหลงภายในจิตควาว่าลุบหลงภายในจิตหมายความว่ายึดผลของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตไม่ได้พิจารณาธรรมะภายในจิต เพราะหลักของกายของเวทนาของจิตของธรรมตามหลักมหาสีปัฏฐา น, นท่านใช้พิจารณาพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมพิจารณาบทใดบทหนึ่งก็ก็ได้ในภาคในภาคตั้งใจเอามาฝึกฝนอบรมแต่ภาคธรรมมานั้นท่านจะมีการพิจารณาสองภาคภาคหนึ่งก็คือภาคที่เป็นธรรมารมณในใจของเราท่านเรียกว่าธรรมธรรมเช่นอะไรเช่นอย่า ง, างทุก สมุทัยนี่โรุ่ดมากเนี่ยท่านก็น ถ, นกถือว่าเป็นธรรมไปดูในหลักมหาสิทฐานท่านถือว่าเป็นธรรมทุกท่านให้พิจารณาทุกสมุทัยให้พิจารณาถึงตันหาอ่ามีรุ่ดมากท่านให้ท่านให้พิจารณาทั้งหมดเออท้เวทนาจิตและก็ธรรมธรรมทั้งให้พิจารณาพิจ า, า, ารณ า, า, าหลักของอริยสัจสี่ถือถือว่าเป็นหลักเป็นการพิจารณาธรรมพิจารณาอา น, นิวรณ์ทั้ง5ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาธรรม พิจารณาธรรมทั้งส่วนที่เป็นธรรมารมคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจและก็พิจารณาทั้งธรรมะที่เป็นส่วนของผลที่ปรากฏขึ้นจากการที่เราตั้งออกตั้งใจปฏิบัติธรรมเงี้ยเช่นางเราตั้งใจปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตของเราได้รับความสงบเราก็พิจารณาความสงบจิตของเราได้รับความสว่างเรากพิจารณาความสว่างจิตของเราได้เข้าถึงญาณขั้นนั้นขั้นนั้นทั้งให้พิจารณาญาณยึดไม่ได้ยึดอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นกิเลส ข, ขึ้นมาทันทีเป็นความฉลาดอยู่แต่เป็นความฉลาดของกิเลสภาษาธรรมะขั้นสูงขึ้นไปอีกท่านเรียกว่าวิปัสสนูวิปัสสนุตุกิเลสวิปัสนาบวกอุปกิเลสฉลาดอยู่แต่เป็นการฉลาดของกิเลสต้องพิจารณาตัวนั้นอีกทีหนึง่งไอ้ตัวนี้แหละมันจะไปกองอยู่ภายในจิตจะต้องพิจารณาภายในจิตอีกทีหนึง่งเนี่ยหลังจากพิจารณาเสร็จแล้วอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นถึงจะหลุดเหลือแต่ทารู้หนึ่งเดียว จิตขอาพอรหันท่านเหลือแต่ธาตุรู้หนึ่งเดียวอย่างอื่นท่านสลัดออกได้หมดสลัดออกได้หมดด้วยเหตุด้วยผลด้วยผลงานที่ปรากฏเฉพาะในหัวใจของท่านนี่เราพูดถึงต้นต่อเราพูดถึงที่ที่บั้นปลายสุดท้ายเราสามารถชะละให้บริสุทธิ์ได้อย่างนี้ในหัวใจของเราด้วยเหตุที่มีกายมีเวทนามีสัญญามีสังขานมีวิญญาณบุตรญาติท่านจึงทรงตรัสว่านี่แหละคือยอดของความทุกข์ยอดของ กองทุกขมวลลงมาที่ปันจะขันร่างกาย้รับทุกข์กับมันยังไงบ้างหาอยู่หากินอากาศหนาวอากาศร้อนหาหนุงหาหมหาที่อยู่หาที่อาศัยต้องดูแลประคาประคองอยู่ในที่ต้องเสี่ยงภัยการยืนการเดินการนั่งการวิ่งบนท้องถนนที่เสี่ยงภัยอันตร า, ายอะไรต่ออะรสรพัเพื่อรักษาระคาประ ค, าประคองรูปประขันอันนี้เอาไว้ทุกขหรือไม่ทุกข แค่ธรามะกินอย่างเดียวนี่ยทุกขนาดไหนท่านก็ลองดูที่เข้างานนั้นออกงานนี้เข้างานนี้ออกงานนั้นทุกยากลำบากเจออุปสรรคมากมายขนาดไหนก็ตามเพื่ออะไรเพื่อให้ได้มาบางคนยอมแลกเปลี่ยนความชั่วช้าลามกสารพัดเพื่อจะมาเลี้ยงมันแค่ว่าให้มันมีชีวิตอยู่ได้ไปเท่า น, นั้นเองทุกหรือไม่ทุกเรามาดูดีนี่แค่กองรูปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ประกอบไปด้วยกันอะไรเพราะตัวนี้มันเป็นผู้ผู้ที่ มาทํางานสัมพันธ์นกันกับใจของเรานี่นี่คือกองทุกข์ถ้าเราไม่เคยพิจารณาเราจะไม่รู้เราจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นท่านพูดถึงทุกข์ถึงสมุทยัยถึงนิโรธถึงมรรคเราชี้มาที่กองทุกข์เสยก่อนอัตภาพร่างกายของเราคือกองทุกข์ภาวะของจิตของเราที่ปนเปื้อนกับกิเลสมานี่คือกองทุกข์จิตที่ไม่ปนเปื้อนกับกิเลสพอละได้ปล่อยได้วางได้แล้วหมด ความเป็นทุกข์หน่งวงหัใจตรงนั้นละจากความเป็นเจ้าของกายจนละจากความผูกพันธุ์ด้วยอํานาจของกิเลสภายในจิตตั้งหาเหลือแต่เพื่บอบริสุทธิ์หนึ่งเดียวยังไม่อยู่ประจัมโลกไม่ดับสูญไปจากโลกเพราะธาตุอันนี้เป็นธาตุดั้งเดิมที่มีประจัมอยู่ในโลกแต่หากมาหลงตัวเองพายยึดนุนยึดนี้จนเป็นเหตุให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความร่วงหลงจากการยึด จากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัวของตัวเราเองพัฒนามาด้วยตัวของตัวเราเองพวกเราได้ได้มาด้วยกันทุกคนเท่ากับว่าพวกเราได้ธาตุดิบได้ของดิบมามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่พระองค์ได้มาชักมาล้างมาซักมาฟอกมาจีรนัยอ่าจนธาตุรู้ของเราเนี่ยเหลือเป็นดวงสว่างบริสุทธิ์เหลือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวไม่มีนิจจากทุกขังนักตานะเพราะหนึ่งเดียวท่านไม่เรียกกองสังขารไม่เป็นกองสังขาร สิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวรอบข้างตัวเรามีไหมไม่มีเลยเป็นก่องสังขารทั้งนั้นจะ เ, เป็นนู้นเป็นนี้เป็นนี่เป็นอะไ ร, ะ ไ, รไหนก็เสาดี่นเสาโดโดๆภายในเสามีอะไรบ้างคืออะไรบ้างเตม็มไปหมดงูเดียวนั้นน่ะอยู่คนเดียวเดียวโดดๆโดโดๆถูกสร้างมาจากอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดสิ่งโดดเดียวอย่างเดียวไม่มีมีแต่สิ่งปรุงสิ่งประกอบเป็นกองสังขารทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียว มีอย่างเดียวคือจิตของพระอาหารหันต์เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีอนอกจากนั้นมีสิ่งปนเพื่อนเท่านั้นยิ่งจิตของปุถุชนด้วยแล้วเนี่ยกิเลสตัณหาอาสวะปวนเพื่อนอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นมันจึงแสดงฤทธิเดชมาให้เกิดความโลภเกิดความโกรธอิจาริษยาพยาบาลอำนาจของความร่มหลงท่านเรียนรู้ท่านศึกษาชะล้างสิ่งเหล่านี้มาจนเหลือเพื่ผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียว ไม่เป็นกองสังขารไม่เรียกกองสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารวิสังขารเป็นอื่นไปจากกองสังขารไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีพบเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอายุการจำกัดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีการเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องดํารงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการใช้คําอีกคําหนึ่งว่าประมังสุขงังประมังสุขงังนั่นแหละคือความถึงบรมสุข ของพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกของพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังเป็นที่ปรากฏให้เราอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราพุทธังทำบางสังขงังสังขักัามิกระทือนถึงผู้รู้ของเราผู้ที่จะบริสุทธิ์ได้ก็คือผู้รู้ของเราคือใจของเราคือธาตุรู้ของเราผู้ที่จะสะปกปรกสงมอมหนักหนาสาหาัสมีเกลื่อเต็มแพร่ก็คือผู้นี้ผู้ที่จะสะอาดถูกชะล้างถูกบริสุทธิ์และมี ความผ่งใสด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองก็คือผู้นี้ผู้ที่จะทําลายแล้วตัวเองทับถมตัวเองกันมืดมิดไม่มีแสงสว่างอะไรในตัวเองเลยก็คือตัวนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาที่เราต้องการเราต้องการอยู่กับกิเลสกิเลสก็จะทับถมเราไปเรื่อยทับถมเราไปเรื่อยจนไม่มีแสงอะไรปรกากฏขึ้นมาเลยมืดตึ๊บนั่นแหะคืออวิชชาอวิชช า, าแต่ถ้าเราอยู่กับบทธรรม ความสว่างก็จะเริ่มปรากฏขึ้นสติของเราจะเริ่มดีขึ้นสัมปชัญญะของเราดีขึ้นปัญญาของเราดีขึ้นสมาธิของเราดีขึ้นสิ่งแปลกประหาดอัศจรรย์วิเศษวิโสรวมไปถึงริษเดชอภิญญามันพร้อมที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเรานี่ในหัวใจของเรานี่คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสมบัติมาตรงนี้นี่ยเราพูดถึงกองทุกนะกองทุกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหา ตัณหามันก่อเ ร, ราก่อรากก่อเนื้อก่อตัวมายัางไงใครจับมาสร้างให้เราใครมาฉาบทาให้เราไม่มีก็เราสะสมมาจากความโลภความโกรธนั่นแหละเห็นไหมจนมันก่อตัวขึ้นมาได้เป็นเจ้าเป็นจอมกํากับหัวใจของเรามาตลอดใครจะว่าไปแล้วคือนิสัยของเราเองเราสร้างเรามาเองเราทําเรามาเองความชั่วความเลวทามของใจของเราที่เราตามใจมันจนเสียหายเอาใจของเราไปสร้างในสิ่งที่เลวทามจนก่อตัวขึ้นมา เป็นเรื่องของสมุทัยเต็มแพร่สมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้แสดงพฤติกรรมขึ้นมาที่กายที่วิจารที่ใจที่ไรเมื่อไหร่เราลองหลวมตัวทําตามมนุษย์ลองหลวมตัวทําได้ไม่ต้องท้าทายลองหลวมตัวทําตามตามกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงตามมาทันทีกองทุกข์ทั้ไหลายทั้งปวงตามมาทันทีนี่คือกองทุกข์คือความความโลกเกิดขึ้นจากการที่ยราหยุด ก็มีผลตามมาเกิดขึ้นจากสมุทยัยนะฮะสมุทัยคือตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากภาษาบาลีทถนัดตัณหาตัณหาภาษาไทยแปลว่าความอยากเราศึกษาไปที่อัตถสาระที่เราพูดถึงคือความอยากความอยากนี้มันไปเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับใจคือผู้รู้คือธาตรู้ธาตรู้ของเรามันอยากคือธาตรู้เรามีตัณหามีความอยาก เราสามารถย้อนมาดูได้หัวใจของเราของท่านนั่งอยู่นี่สามารถย้อนมาดูเห็นความอยากในหัวใจของเราได้เราเห็นอยากอยากอยากไปดูก่อนอยากข้าวอยากน้ําอยากเล่นอยากพูดอยากคุยอยากน่นอยากนี่อยากอะไรต่ออะไรสารพัดพยายามจับความอยากให้ทันแต่จะต้องมีสติมีสัมผััญญามีสมาธิกํากับในจิตดวงนี้นะถึงจะมีคุณสมบัติพร้อมพอที่จะจับขโมยจับระโจนได้ มงั้นไม่มีความสามารถพอที่จะไปรู้ไปเห็นมันแหละมันเล็ดลอดออกไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแหละนี่คืออำนาจของความโลภของความโกรธมันแทรกเข้ามาในหัวใจของเรานี่คืออำนาจของสิ่งที่ปนเปื้อนมาในหัวใจของเราจนก่อตัวเป็นรกเป็นรา ก, เ ป, รากเป็นความอยากดูไปที่ความอยากอา้าวยารักษาศีลยาปฏิบัติธรรมอันนี้ไม่เป็นไม่ไม่เป็นหร น, นี่เป็นมัดยาได้สมาธิ อยากได้มรดได้ผลอย่างได้นิพานอันนี้เป็นมรดยอย่าลืมว่าเหตุสองเหตุผลสองผลนะเราพูดถึงอริยสัจสั้งสีส ก, ก่อนมันมีเหตุสองเหตุแล้วก็ผลสองผลเหตุอันหนึ่งคือสมุทยัยนํามาซึ่งกองทุกเหตุอีกอันหนึ่งคือมรดนํามาซึ่งความดับทุกเนะี่ยมันมันดับทุกดับดับทุกคือดับทุกท ต, ตัวสมุทัยตัวนี้แหละ ดับได้แล้วก็เลยกลายเป็นเอโร่เอโร่เป็นปลอยเป็นผลปล่อยตามตามได้ทั้งนี้เราแทบสรุปพูดสรุปได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งหมดเนี่ยสรุปลงมาได้แค่เหตุกับผลเท่านั้นสรุปลงมามองลงมาที่หลักของอริยสัจสี่อริยสัจสีมีเหตุกับผลเท่านั้นเหตุอันหนึ่งนำทุกข์มาให้เหตุอีกอันหนึ่งระงับดับ เหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เนีนะ่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากตาอํานาจของมัดท่านให้เรารีบส่งเสริมรีบสนับสนุนโออยากเภาหนาใจได้รับความสนุกให้รีบส่งเสริมไม่รีบสนับสนุนโอลูกหลานอยากบวชรีบอยู่วันไหนลกูกอยู่วันไหนครูบาอาจารย์้องไห น, ไหนรีบส่งเสริมเขาเพราะความอยากนี้เป็นมอัอยารักษาศีลไปวันไหนลกูกไปวันไหนลกูกพ่อแม่รีบพาไป อยากศึกษาธรรมะอยากโน้อนอยากนี้มันเป็นการอยากสร้างความสว่างให้กับใใหัวใจของเรามันเป็นมรคให้เราเข้าใจว่ายาอันหนึ่งเป็นสมุทัยยากอันหนึ่งเป็นมรคยาอันหนึ่งนำทุกข์นำโทษมาให้กับเราคําว่าทุกข์โทษในเช่นี้ก็คือว่อาจะสงสารนั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายตัวเกิดที่ไหนก็ตามทีเถอะแก่เจ็บตายเตัวเกิดที่ไหนก็ตามทีเถอะแก่เจ็บตายแล้วก็ตายแล้วมันจะมศูนย์ไม่มีศูนย์หรอก หาความศูญไม่มีตายแล้วต้องเกิดอีกตายแล้วต้องเกิดอีกตายแล้วก็เกิดอีกเพราะผู้ที่ยืนโรงอยู่คือถ้ารู้ไม่เคยตายถ้ารู้คือใจของเราไม่เคยตายแต่มันเปลี่ยนตัวเองเท่านั้นเองเปลี่ยนไปเป็นภพน้อยไปเป็นภพใหญ่เป็นเปลี่ยนไปเป็นที่สูงเป็นเป็นที่ต่ำไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นสันนิโรกไปเป็นสุรกายมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ชั้นดีชันเลิศเป็นเทวดาชันนุ่นจาตุ้มดาวดึงยามาเป็นพระพรหมฉันนั้นฉันนั้น สามารถสับเปลี่ยนได้หมดตามพฤติกรรมของตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนได้โดยไม่มีเหตุนะเหตุก็คือพฤติกรรมของตัวเองการที่เราจะกระดุกกระดิกพริกแปลงแต่ละกิริยาอาการเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เปล่านะเป็นการสร้างเหตุทางน้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดการที่เราจะคุยการที่เราจะนึกคิดใข้ครวนอะไรต่ออะไรสรภภารพัดเนี่ยท่านจึงให้ใช้ปัญญาพิจารณา เราจะประกอบกายกรรมลงไปต้องใช้ปัญญาพิจารณาเราจะประกอบวาจาคือคำพูดลงไปจะต้องใช้ปัญญาถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพอเราเวลาเราประกอบลงไปแล้วมันเป็นการลงมือสร้างเหตุเหตุในเมื่อเราสร้างลงไปแล้วผลเราไม่ต้องการผลก็ต้องได้ผลก็ย่อมได้เป็นเรื่องธรรมดาเราไปปฏเิเสธดิเราไปทําเหตุใดๆไว้ในบนโลกนี้แล้วเราไปปฏิเสธผลปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไม่ได้ แล้วก็ผลใดๆที่จะพึ่งเกิดขึ้นในหัวใจของเราผลใดๆที่จะ เ, เกิดขึ้นในภาวะแวดล้อมตัวเราเนี่ยผลเหล่านั้นมาจากเหตุทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุอ่าไม่มีเหตุแล้วเอาหลัก เ, เอาหลังนี้ไปใช้ใช้กับคนที่กลัวๆกลัวผีกลัวเปรตกลัวอะไรตัวอะไรพิจารณาในแง่ของหลักนี้เนี่ยละลายหายไปหมดกลายเป็นหลอกตัวเองทั้งนั้นเลยเห็นไหม เพราะทุกอย่างมันมีเหตุทั้งนั้นแหละโอ้ยนั่งภาวนาอยู่ที่กติได้ยินอะไรป๊อกป๊อกปอ๊อผีมาแล้วแน่ใครว่าจะขอว่าเองอยากพิสูจน์อยากต้องสอบอ๋ไปดูไปส่องดูโอยกับแก้มันข้ามแมลงฟาดที่ฝาผนังป๊อกป๊มันมีเหตุทั้งนั้นแหละเหตุจะต้องนํามาซึ่งผลผลจะต้องนํามาซึ่งเหตุ ในเรื่องของกรรมของเราของท่านของใครทั้งนั้นน่ยมันให้ผลมาได้ยังไงเรื่องของกรรมให้ผลก็ให้ผลตามนี้แหละผู้สร้างกรรมก็คือธาตุรู้คือผู้รู้คือใจกระูกกดิกปลีกแแปลงมาที่กายก็เป็นกายกรรมมาจากใจกระูกกรดิกมาที่วาจากก็มาจากใจเพราะฉะนั้นเราสร้างกรรมลงไปแล้วมันเป็นการลงมือสร้างเหตุทํำในที่รับทําในที่แจ้งใครรู้ก็ตามใครเห็นก็ตามใครไม่เห็นก็ตาม ขอให้มีกิริยากายกิริยาวิจากิริยาใจตกผลึกเป็นกรรมทั้งนั้นหากกรรมนั้นนั้นหนักหนาสะอาดควดให้ผลตอนไหนเมื่อไรอะไ ร, ะไรยังไงกรรมก็จะเลือกให้อย่างเหมาะสมทีเดียวเพราะฉะนั้นจะไปสร้างเอาไปเถอะ ก, กรรมเนี่ยทําไปแล้วหลบไปนู่นหลบไปนี่ไปอยู่ที่นู่นหลบไปอยู่ที่ไหนก็หลบไม่พ้นเออเราไปเกินไปอย่างเงี้ยกรรมมันตามเรามาได้อย่างไงนะมันข้ามพวกข้ามชาติตามมาได้อย่างไงมันตามมากับผู้ที่ไม่ตาย ใจไม่ตายแล้วก็พูดต้นตอสาเหตุในการสร้างกรรมก็คือใจกรุกกระดิกด้วยกายด้วยปัญญาที่ไหนก็คือใจเวลากรรมมันจะให้ผลมันจะต้องไปที่ไหนมันก็จะต้องย้อนไปเล่นงานที่เหตุเหตุเกิดที่ไหนมันก็จะไปเล่นงานตรงนั้นอยไปเกิด อ, อยู่ใต้ทะเลมหาสมุทรที่ไหนก็ตามกมตม่กรรมตามเล่นงานได้ทั้งนั้นอ่าไม่มีใครที่จะมีอํานาจเหนือกรรม เรามาดูเธอพระยศสาวกพ ร, ระมุคขลานะเลิศโดยที่ขนาดไหนก็ตามจากอำนาจที่เคยฆ่าแม่เห็นไหมการฆ่าแม่ของท่านเนี่ยทำให้เราเกิดท่านให้ท่านเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดเจ้ไหนก็ถูกฆ่าเรามาพิจารณาดูแลว้ว่าเราฆ่าแม่เท่ากับเราฆ่าตัวเราเองตัวเราได้มาอย่างไหนได้มาจากแม่ เราฆ่าแม่เท่ากับเราฆ่าตัวเราเองกรรมมันจะไม่หนักหนาสหาหัสได้ยังไงพระมุคลานาท่านอดีตย่าท่านไปฆ่ามารดาขงท่านมันจะเสียเวลาพอหนาทีอะไรฆ่าแม่แต่เวลากรรมให้ให้ผลเนี่ยห้าชาติก็ยังไม่หมดเห็นไหมเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าชาติสุดท้ายเป็นพระอาหารหันต์มีฤทธิ์เดชขนาดนี้แล้วก็ตามก็ยังโดนฆ่าเรตจะเห็นไหมพระ พระโมคคัลลานะเนี่ยพอเวลากรรมจะตามให้ผลท่านทันนะมันจะต้องมีกรรมใหม่มาประจบกับกรรมเก่ามันจะต้องมีกรรมเก่ามาประจบกับกรรมใหม่กรรมใหม่กับกรรมเก่านี่เราพูดอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องสะท้อนมาที่พวกเราทุกคนเหมือนกันนะเรื่องของกรรมเนี่ยเวลามันจะเกิดเวลามันจะรวมตัวเข้ามามันจะต้องมีกรรมเก่าผสมกับกรรมใหม่มันจะต้องมีกรรมใหม่ผสมกับกรรมเก่าพระโมคคัลลานะท่านมีกรรมใหม่ มาผสมกับกรรมเก่ากรรมเก่าก็คืออดีตกรรมท่้นเคยฆ่ามันด้อยู่แล้วกรรมใหม่ของท่านคืออะไรท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาไปสวรรค์ก็ได้เอาเรื่องบนสวรรค์มาเลา่ามนุษย์ฟังมนุษย์เลื่อมใสศรัทธาลองไปโลกสันนิโรกก็ได้เอาเรื่องของสันนิโรกมาเลา่ามนุษย์ฟังมนุษย์เลื่อมใสศรัทธา <c oughs> เขาก็ไปทำบุญให้ทานกับท่านน่ะสักการะทั้งหลายกันหลังไหลเข้าไปห้าท่านนักบวชที่อยู่รอบข้างตัวท่านอดไม่มีคนเอาอะไรไปไปทําลาบสักการะให้ ลอดและเดือดร้อนนี่คือกรรมใหม่นะมันก็ไปจวดไปที่กรรมเก่าที่ท่านเคยฆ่าแม่เห็นหมในทเาก็วางแผนจัด ก, การซะจ้างนักเลงมาฆ่านะมาวาร่าแรกท้ามีฤทธิ์น่ท่านก็ออกทางหน้าต่างมาวาราที่สองท่าน อ, ออกทางหน้าต่างท่านมีฤทธิเ์เดง่ายง่ายมากนะมีฤทธิ์เดชง่ายมากฤทธิ์เ ด, ดยิ่งฤทธิ์เ ด, ดนุ่นพอๆกับพธธระพุทธเจ้านั่นนะ พระมคคัลลานะรีบเด็ดมากมีริมีเด็ดมากพอมาวารังที่สามก็ ม, มาพิจารณาเรื่องกรรมโอ้ยมันมาตามมาของมันเอีเลยเข้าฌานกบกลับขึ้นมามทันทีเขาก็มาทุบมาตีที่ตะวันแรงนะั้นลากเอาไปทิ้งเพราะได้อายุระยะการเวลาที่ท่านเข้าฌานสมาบัตินะถ้าก็ตื่นขึ้นมาก็เยียวยาด้วยฌานสมาบัติเพราะมีเรี่ยวมีแรงเวลาพาลาระพุทธเจ้าลาพระพุทธเจ้าปรรณิพาน ร่างกายนั้นคือการเดนของกรรมแต่ใจของท่านมันพัฒนามาจนล้ำหน้าไปหมดแล้วจนพิจรารณาจนทิ้งกายทิ้งเวตนาทิ้งสัญญาทิ้งสังขารทิ้งวิญญาณทิ้งจนหมดแล้วนั่นไม่ใช่องค์ของพระโมคคัลลานะแทะองค์ของพระโมคคัลลานะแท้คือพระจิตที่บริสุทธิ์ของท่านมันก็ฆ่าได้ในรูปธรรมคือซึ่งเป็นเศษเดนของกรรมเท่านั้นเอง อย่างอื่นมันทําไม่ได้มันตามไม่ทันมันแปลงนะเรื่องกรรมภายในใจของเราเนี่ยท่านจะทําทั้งกรรมดีทั้งกรรมไม่ดีกรรมทั้งสองสายมันจะสะสมของมันเป็นเป็นเป็นคนละถุงไปเลยแหละถุงบุญอย่างหนึ่งถุงบาปอย่างหนึ่งหรือถุงกรรมดีอย่างหนึ่งถุงกรรมชั่วอย่างหนึ่งมันสะสมมาเป็นสองสายเลยแหละเหมือนอย่างพระมคลันะหลังจากท่านฆ่ามารดาแล้วเนี่ยระยะหลังมาท่านตั้ง โดยเหตุที่ท่านมีมิตรดีคือพระโมกขาภาษาดิบุตรเนี่ยชวนท่านตั้งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายก็เลยได้เป็นทั้งภาษาริบุตรได้เป็นเบื้องขวาอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะได้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายพอหลังจากท่านกลับเนื้อกลับตัวท่างกับสร้างกรรมอีกกรรมใหม่ขึ้นมาเนี่ยสร้างแต่คุณงามความดีเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพพานก็ได้บรรลุได้ตรัสรู้เป็นอัครสาวก ของพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้ น, น, นหาด้วยบุญด้วยกรรมจัดสรรมาเมื่อท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ท่านก็มาได้เป็นาค่าสาวกของพ ร, พระพุทธโคโดมของเราเนี่ยนี่คือพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเส้นสายของกรรมดีก็ให้สะสมมาสะสมมาสะสมม า, สสมมาจนเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์สุขงอมเต็มที่สายกรรมไม่ดีที่เคยฆ่าแม่ตามาเป็นเส้นเป็นสายขเขาเพราะอะไรเพราะแรงกรรมมันยังให้ไม่หมด แรงกำเนี่ยเราจะเทียบได้กับอะไรแรงก ร, รมที่จะให้ให้มากให้น้อยเนี่ยเราเทียบได้กับขัอนดินขั้นหินก็ได้สมมติเราไปนั่งอยู่บนฝั่งแล้วโยนขัอนหินตัม้มลงไปในสระไหมอ่ามันกระทบทีแรกเนี่ยแรงมากระลอกแรงระลอกที่สองระลอกที่3ามระลอกที่4ี่ระลอกที่ห้าระลอกที่6กลอกระ ล, Alors, ล, ล, ล, ล, ะ ล, ลไปแล้เรียบเรียบไปในสระถ้าเผื่สระมันใหญ่นะไม่ถึงฝั่งแต่ถ้าหากฝังอยู่ใกล้ๆมันก็ตีมันก็หายไปที่ฝั่ง นะถ้าหากมันยังไม่มีฝั่งจํากัดของมันความแรงของมันก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆหายไปเลยไหมอำนาจของกรรมที่จะบรงให้หนหัวใจของเราคนเช่นเดียวกันเพราะผลของกรรมภายในใจของเรานั้นมันไม่ใช่ทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองมันให้ผลร้อยเท่าพันเทวีไม่ว่าจะเป็นบุญก็ตามไม่ว่าจะเป็นบาปก็ตามนะทำบุญ มัทกุลสลีเห็นไหมเราไปอ่านดูในประวัตินะ่เรื่มใสศรัทธาพระพุทธเจ้าแว๊บเดียวเท่านั้นเห็นไหมผลอันนี้สองจากจิตเรื่มใส่ศรัทธาในขณนะนั้นตอนนั้นแหะดับที่ตายไปในขณนะนั้นนะอ่ะโอยไปได้นุ่นได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะ่ะมีวิมานอยู่มีรูแปดสิบโยนั่นนะ่ะมีทิพย์อลังการเต็มไปหมดมัทกุลสลีไม่ได้ทำ บ, บุญให้ทานอะไรอย่างอื่นเลยนี่คือผลอันนี้ส่งของใจแว้บเดียวเท่านั้นละ่ะ ยิ่งใหญ่ไพศาลร้รอยเท่าพันทวีนะเราพูดถึงผลกรรมชั่วเหมือนกันเหมือนอย่างพระมคลานะข่าแม่ของท่านอ่ะแค่นั้นเองใช่ไหมให้ผลร้อยเท่าพันทวีการให้ผลทางด้านจิตใ จ, จไม่เหมือนการให้ผลทางด้านวัตถุท่านจึงว่าไม่ให้ประมาทไม่ให้นิ่นอนใจให้ระมัดระวังในพฤติกรรมที่กายที่วิจญาณที่ใจเพราะมันให้ผลรุนแรงถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้เคยทําชั่วช้าลามก กรรมหนักหนาสาหัสมามากเท่าไรก็ตามพอเวลาเรามาตั้งจิตเป็นกุศลซาแต่คุณเอาวความดีขึ้นในสูงหัวใจของเราเนี่ยจนสามารถลบล้างได้สามารถลบล้างได้เช่นใครเอาไปเช่นอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยแหละขนาดั้งข้าแม่แท้แท้เนี่ยท่านสามารถบุโผล่ขึ้นมาเป็นอาฆาสาวกจนได้ในสุดกรรมทั้งหลายทั้งปวงถึงจะให้ผลยังไม่หมดก็ตามตามท่านไม่ทันแล้วตามอัตภาพร่างกายของท่าน าตามจิตใจของท่านไม่ทันแล้วเพราะความเป็นพระอาหารหันตะ์คือใจเป็นผู้เป็นไม่ใช่กายกายเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองจิตใจของท่านความเป็นพระอาหารหันต์คือใจบริสุดหนึ่งเดียวของท่านาไม่ต้องมีเพราะมีภูมิที่เกิไปเกิดทําไมจึงไม่เกิดเพราะละตัณหาได้แล้วเมื่อละตัณหาได้แล้วอุปาทานมันก็ไม่มีพบก็ไม่มีชาติก็ไม่มีเราไปไล่ตามหลักปฏิจจสมุปบาทลองดูฮะ ในเมื่อเรามีตันหาทําไมเราจึงมีตันหาเพราะเรามีชอบเรามีไม่ชอบเรามีรักเรามีชังทําไมเราจึงมีรักมีชังมันมีสิ่งมาประกอบกันที่เรียกว่าอายตนะภายในหรือไม่ก็อายตนะภายนอกอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกมาประทะกันปับ๊บเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายมันหากเกิดขึ้นมาตามอานาจตามภาวะของใจของเราของท่านที่มันเคยยึดมาจนช่ําชองฉันไมีชนานาญอยู่อย่างนั้นแหะ เราเลยมาฟักตัวมาเกาะตัวกันอยู่ตรงนี้ไม่จบเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไล่ตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วไล่ไปถึงตัวเวทนาตัวเวทนาตอนนี้จะเป็นศูนย์กลางของธรรมทั้งหลายทั้งปวงบุญเกิดก็เกิดตรงนี้บาปเกิดก็เกิดตรงนี้ธรรมเกิดก็เกิดตรงนี้กิเลสเกิดก็เกิดตรงนี้นรกสวรรค์เกิดก็เกิดตรงนี้เกิดตรงไหนเกิดตรงที่ตาไปสัมผัสรูป ถ้าเราไม่ได้ตั้งอยู่ในท่าทีที่เราตั้งใจปฏิบัติแล้วรูปดีมันก็ดึงเข้ามารูปมาดีมันก็ผลักออกไปแน่เพิ่มพลังให้กับตัณหาแล้วแต่ผู้ตั้งใจปฏิบัตินั้นเห็นท่านเท่าท่าสักท่าว่าเห็นจักเท่าว่าเห็นจริงๆเราต้องตั้งสติปลุกจิตของเราให้ตื่นโรโรู้ขึ้นมาเนี่ยเห็นจักท่านว่าเห็นจริงๆความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดลองทํำพิสูจน์ในแง่ของก็าภาคปฏิบัติเราอยารู้ในตัวของตัวเราเองตราบใดที่เราปลุก จิตสติของเราให้ตื่นโรโรู้อยู่เนี่ยเห็นจักตะวัาเห็นจริงจิตใจมันไม่ได้ซึมเศร้าแล้วมันก็ไม่ได้ยึดเข้าม า, เ ห, ม า, าเห็นแล้วมันก็วางเห็นแล้วมันก็วางได้ยินแล้วมันก็วางได้สัมผัสแล้วมันก็วางได้มาสัมผัสแล้วมันก็วางแต่ต้องฝึกนะมัถึงจะมีกําลังเราเอาวิธีการนี้แหละมาฝึกเราถึงจะมีกําลังกําลังมาต่อสู้ตรงนี้แหละต่อสู้กับตัณหาที่มันจะพึงโผล่ขึ้นมาถ้ายิ่งดีเกิดคือตัณหาเกิด ยินร้ายเกิดคือตัณหาเกิดยินดียินร้ายจะไม่เกิดต่อเมื่อเราตั้งสติเมื่อเราให้ตื่นรูป้ปลุกด้วยสติทําด้วยสัมผััญญาธรรมเพระเช้าการเจริญตามหลักมหาสีประธานจึงเป็นศูนย์รวมของกรรมฐานทั้งส ม, มถะทั้งวิปัสนาท่านทั้งหลายท่านลองเจริญไปเถอะจะเป็นวิปัสนาก็ตามจะเป็นส ม, มถะก็ตามตัณหาไม่เกิดส ม, มถะก็ระงับดับตัณหาได้ วิปัศนาก็ออยึดชะล้า ง, างตัณหาให้หมดไปซะเลยเพราะจิตของเรามีความเฉลาดมีความรอบรู้ท่านจะไปทํามีสมถะเพราะสมถะคือใจสงบใจจะสงบได้ต่อเมื่อท่านมีสติมีสัมผัจัญญาจิตของเราจิตของท่านจะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมแล้เมื่ออยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมแล้วตัณหาไม่แทรกเข้ามาตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้ยินดีเกิดไม่ได้ยินร้ายเกิดไม่ได้ แล้วเพื่อยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดคือตันหาไม่เกิดในเมื่อตันหาไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดเพราะว่าลําดับขั้นตอนของมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อตันหาเกิดภาพอุปาทานมันก็โผล่ขึ้นมาเมื่ออุปาทานโผล่ขึ้นมาพบมันก็โผล่ขึ้นมาพบคือที่หมายที่เราหมายเอาไว้เหมือนอย่างเราตั่งภาวนานเรานึกหิวกาแฟขึ้นมาเนี่ยเออร้านตรง น, นั้นนะรสชาติดีแซ่บอร่อยหมายเอาไว้แล้วนั่นแหละคือพบเห็นไหมมันยินดียินดีในความนึกคิดของเรา่ะ นี่นึกถึงกาแฟร้านตรงนั้นนะตรงนั้นนั่นนตรงนั้นอืมมายเอาไว้แล้วกาแฟรสดีรสเด็ดเหลือเกินนั่นคือพบปรากฏแล้วสโนนึงเดี๋ยวชาติมันไปปรากฏแล้วทนี่ทองทองทองทไปโผรตรงนั้นแหละไม่ไปตรงไหนดอกยกอุประมาสมาที่ใจของเราตามหลักปฏิจจสมุปบาทการเกิดของกิเลสการดับของกิเลสเกิดตรงนี้ดับตรงนี้ท่านจึงให้ตั้งใจรักษา จิตของเราด้วยสติด้วยสัมผััญญะให้มีคุณธรรมกำกับทุกกิริยาบททั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่นทงทั้งนอนไม่ให้โอกาสกับตันหามมาแทรกในหัวใจของเราตราบใดที่ให้ตันหามาแทรกในหัวใจของเราปับ๊บปาทานก็เกิดภพก็เกิดชาติก็เกิดกองทุกโศกปริเทวะทุกกระทมนาาัสเส้าปียาติจะพึ่งขัดข้อในหัวใจของเราตามาเป็นระลอกระลระลองตันหาไม่เกิดปั๊บดับหมด ไม่มีอะไรเกิดนะดับหมดพระอาหารหันต์ท่านไม่เกิดท่านไม่ดับเราดูตรงนี้เป็นอุปมาแล้วก็เทียบ ม, มาที่ตัวพวกเราแล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจตะเกียประกายหนะักบ้างเบาบ้างอดบ้างสู้บ้างทนบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างขออย่าทิ้งหลักตรงนี้ยึดมั่นในหลักมหสิปธิปานมีสติกำกับจดจ่อทุกิริยาบทยืนเดินนั่งนอน เขาจะสงบอยู่กับเรื่องของสมถาอย่างเดียวให้สงบเมื่อสงบมีเรี่ยวแรงจิตถอนออกมาแล้ว้าให้ใช้ปัญญาพิจารณามันก็ไม่เกินสติท้าขาดสติสม ถ, ถาก็เกิดไม่ได้ท้าขาดสติปัญญาคือวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้สติตัวเดียวเป็นคุณสมบัติของจิตติดร่วมากับผู้รู้ของเราพระยาผู้ริยาท่านจริงทรงสแสดงมหาสิะฐานซึ่งเป็นกรรมฐาน เปรียบพระหนึ่งมือกดกรรมฐานครอ้อกรรมฐานอื่นไว้ทั้งหมดท่านจะเป็นสายเจโตเป็มุ่งกรตามปัญญาเป็นมุ่งก็ตามจะมีฤทธิเดชมีอภิญญาตรงไหนก็ตามถ้าทิ้งหลักตรงนี้ไปไม่ได้ไปไม่ตลอดไปไม่สุดโดยเหตุที่ท่านไม่ทิ้งหลักตรงนี้ท่านมีคุณสมบัติเหล่านั้นติดเนื้อติดตัวมีหูทิพตาทิพมีนุ่นมีนี้มีอะไรจะไรสารพัดที่เป็นประเภทอภิญญาทั้งหลายทั้งปวงตามมา เราตั้งอกตั้งใจเราไม่เคยมีฤทธิ์มีเดชมีอภินญหารู้นู่นเห็นนี้อะไรก็ตามอย่าไปทอใจท่านหมุนมาตรงนี้ท่านจะได้กําลังใจอะไรเกิดขึ้นในหัวใจของเราก็จ่อมาดูใจของเราอะไรเกิดขึ้นมาก็มาจอดูที่ใจของเราเราจะเริ่มรู้เริ่มทันตั้นหาในหัวใจของเราท่านจะได้หลักได้เกียรได้ที่พึ่งอย่างฉับไว้ทันด่วนในหัวใจของเราอย่างสดสดร้อนร้เลยใน ians, หัวใจของเราเนี่ย ความทุกข์ทั้งหลายมันจะไม่มาย่ยยายีหัวใจของท่านทุกข์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างจ่อใส่เข้าไปทุกข์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างจ่อใส่เข้าไปในขณะที่จอด้วยสติด้วยสัมผััญญาด้วยอะไรตัวอะไรนั้นนะ่ะเหตุผลอักธรรมมันก็จะโผล่ขึ้นมาด้วยมันจะเกิดปัญญามันจะเกิดควา ม, ม ร, รู้มันจะเกิดโอ้ขึ้นมา ท, าทันทีโอ้เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยย้อนมาเลยเราโง่ดักดานไม่นุ้นไม่นี่โทษนุ้นโทษนี้โทษลายต่อลายสารพัด เราจอมาที่นี่มันเหมือนเป็นการจับผลประกอบย้อนไปที่เหตุผลอะไรใดๆเกิดขึ้นจับเพราะปย้อนไปโอ้เห็นเหตุมาแล้วแน่เหตุบางอย่างเราเห็นเรารื้อได้เลยนะเหตุบางอย่างเราเห็นเรารู้ได้เลยเหตุบางอย่า ง, ต, งาต้องค่อยพิจารณาต้องค่อยตัดก็ค่อยละต้องค่อยเว้นต้องค่อยดูกําลังของมันความจะยุบมันจะยอบลงไปเหตุใหญ่เหตุเล็กเหตุน้อย นี่คือเหตุของมันหรือไม่บางทีเราก็จับเหตุอย่าสาวไปที่ผลโอ้ผลอันนี้มันจะต้องมาจากเหตุนี้เหตุนี้ที่เราพึงกระทําสาไปโอ้ผลมันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นตามที่เราเคยได้รับผลนั่นแหละเพราะผลจากการที่เราเคยทําเราก็ย้อนไปที่เหตุเออใช่ผู้ที่มีสิทธิสุดจริตใจในหัวใจของตัวเองนั้น จะไม่มีการขัดแย้งกับใครผลใดๆปรากฏขึ้นที่หัวใจของเราก็ย้อนไปโอ้เหตุอันนี้จริงๆไม่ต้องไปขัดแย้งกับคนนั้นกับคนนี้ไม่ต้องไปทะเลาะบอกแว้งกับคนนั้นกับคนนี้ไม่ต้องไปโต้ไปเถียงว่าใช่ไม่ใช่ไม่ต้องมันบอกชัดเจนอยู่ในหัวใจของเราจับผลแล้วไปย้อนไปที่เหตุอย่าลืมว่าความโลภเนื่องจากเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราไม่ได้ย้อนไปดูความโกรธเกิดขึ้นจากเราไม่เคยย้อนเข้าไปดูเหตุ ความโลภก็เช่นเดียวกันไม่เคยย้อนไปดูเหตุก็มีแต่ยึดติดมีแต่ยึดติดความโกรก็มีแต่ยึดติดมีแต่ยึดติดไม่เคยย้อนไปดูเหตุถ้าย้อนไปดูเหตุและความจริงปรากฏเฉพาะเราทันทีโอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงนั้นเออเราผิดบ้างเออเขาผิดบ้างเอ้ยเขาผิดทั้งหมดเราไม่ผิดเราก็ยอมรับเออเราไม่ผิดจริงเออเราผิดทั้งหมดเขาไม่ได้ผิดเราก็ต้องยอมรับเออเราผิดจริง ข้อที่จริงมันจะมาปรากฏตรงนี้ท่านดูที่อะไรจะสดใสแจ่มแจ้งในหัวใจของเราประจากกรรมของเราที่จะมาตามรู้กรรมของเราเนี่เป็นไปไม่ได้นะโหดังพาลนามานี่ยนานพอสมควรเนี่ยมีหมดเวลาไปเป็นชั่วโมงนะนะมัอไปไม่ถึงไหนแหละไม่มีนิทานประกอบสักเรื่องเลยเนี่ยพวกเราตั้งใจมีความเข้าใจรู้รู้ทุกถึงตามหลักตามเกณฑ์ที่เราพยายามพูดไปให้เข้าใจไหม ให้เอาหลักอันนี้ไปเจริญเราจะเจริญสมถาอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธสัมมาหลาังของเน้อยุน่นออะไรก็ตามแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วมันไม่มีอะไรจะมาเป็นข้อขัดแย้งกันสรุปลงแล้วก็คือหนึ่งสมถะสองวิปัสนาการเจริญสติมันก็เป็นการเจริญสติวิปัสนามันก็เป็นการเจริญปัญญาแต่สายป่าเราครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่ า, าสมาธิ ท่านเรียกว่าปัญญ า, ญญาบางที่สายปริญัติเราท่านเรียกว่ า, าสมาธิวิปัสนาท่านเรียกว่าความสงบแล้วก็ปัญญาสายป่าเท่านเจ้าเรียกความสงบแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาอย่างลูงตาท่านเจบใช้คาว่าเออเราทําให้สงบแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาคือสมถะกับวิปัสสนานั่นเองบางทีทางสายหลักการมีตัวหนังสือมีอะไรทั้งบอกว่าสมาธิวิปัสนา สมาธิวิปัสนาบันเป็นคำพูดที่ทําให้เราเข้าใจว่าเออใจสงกแล้วก็ใจพิจารณาถ้าหากไม่ถึงขั้นพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วมันไม่เข้าไปรู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นต้นเห็ น, ห น, ต, น, หนต่อแต่การเจริญมหาสตินั้นอ่ะมันเป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสนาไปในขณะเดียวกันท่านทั้งหลายลองบริการพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธลองดูพุทโธแล้วก็ย้อนมาดูผู้ที่ดํารีว่าพุทโธ พูดโทษเราก็ย้อนมาดูพูดดาดีว่าพุดโธษลองลอ ง, ลองทําลองดูเป็นศัพท์ถาท้าก็ช่างเถอะเป็นวิปัสนาก็ช่างเถอะถ้าลองทํา ล, ลองดูมันครบวงจรหมดท่านจึงว่าเป็นวิธีการเดียวที่ทุกจิตทุกนิสัยเข้ามาเดินได้ตามได้ทั้งหมดพวกเราได้ยินได้ฟังสิ่งละอันพาลอนอยเอามาเล่าประกอบกันเพื่อที่จะพยายามไปเจาะลึกให้พวกเราทั้งหลายเข้าถึงหลักเข้าถึงก้นบึง้งของจิตเรียนในหัวใจของเรา เขาถึงหลักเขาเข้าถึงก้นบึ้งของกุศลในหัวใจของเรากับอกุศลในหัวใจของเราให้ให้เราได้ข้อคิ ด, ดให้เราได้ข้อเทียบเคียงและก็จะเป็นเหตุทําให้เราเจริญปัญญาปัญญาเท่านั้นแหละเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาเท่านั้นแหละที่จะทําให้เราคนรู้คนโทษใ น, นวัฏสงสารตั้งปรานามาพอสมควรกลเวลาเพียงเท่านี้เอวัง มีไหมมีอะไรคุยอะไรกันได้ไหมใครมีปัญหาอะไรอยากพูดคุยอะไรบ้างพูดคุยได้อถ้าใจไม่ไปไหนส่งตามที่เราพูดเนี่ยเราจะได้แนวปฏิบัติได้เป็นอย่างดีเราจะไม่สงสัยใดๆทั้งนั้นเพราะนี่คือเหตุกับผล พูดเรื่องเหตุเรื่องผลอย่างเดียวเท่านั้นล้วนๆเลยไม่มีหลอกพาไปนู่นที่นี่ไปนี่มีดที่นูน่นไปพโพลที่นูน่นที่นี่ไม่มี